أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان لل ول إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل ا أظيم رب ا ش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر, س ي ق ق ي ر د لأملي وهل الوقت من لسان يفقو قولي رب ا ل ز ي ن ا إلما ن ا ف ا و ع ز و ق طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ลักลักราลัตอาลัยฟิกิทับ ال ิลกเรียบะลาอุบิลลาเมชีตานีรติมค้อฟลัพมันดะซักแะดะกรสมรับบิฮิฟัสลับัลุิรลยตัดดุนยา و ا ل آ خ ر ة خ ي ر و و ب ق บพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งนะครับกลับมาศึกษาพระดำรัสของะสุบฮานะฮัต้าลาอัลกุรอานที่เป็นทางนำของชีวิตของผู้ศรัทธานะครับผม เรายังคงคุยกันอยู่ในช่วงของส ah ูระอัลอาลานะครับในอายะที่16บรตุซีรูดลหายาตัดุญนยาแต่ถ้าว่าพวกเจ้ากลับเลือกใช้ชีวิตเพียงเพื่อโลกนี้ดุญยานั้งหอมหวานดุญยานั้นสวยงามดุญยานั้นเป็นสิ่งละที่ชวนให้จิตใจนั้น ถูพกพันแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับมันมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์แต่ที่แน่แน่คือมันเป็นอะไรที่มันอยู่ต่อหน้าเราแล้วพวกเราก็มักที่จะเลือกอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวมาก่อนครับพี่น้องนะครับคุณอบดีตนับชมจากบุรีรัมย์มาเช้ามาจะแซคคุณคนอะไปบุรีรัมย์ได้ยังไงล่ะนี่โอเคบอกว่าแชร์ไปแล้ว بارك ัลลอฮ์ฟรีดุมครับผมเข้าใจว่าน่าจะไปฮันนีมูนรอบสนะครับผมก็ขอประละเลให้ความเมตตาในทางนั้ครับ คุส่ีตอิสลามคุณสลามตลลอฮวบรักาตัครับอมีและบิเนมตีติมสอิฮัตูเกิดชัดเจนทางภาพและเสียงพร้อมเรียนบารักอัลลอฮ์ฟิกุงมุจาสุมลอฮ์การันฉันยักันครับคพรทิี่รักทีินครเมื่อพูดถึงคำว่าดุนยาอัดดุนยาภาษาหลับเนี่ยหนึ่งในจุดเด่นนะครับที่โดดเด่นของภาษาหลับก็คือเรื่องของคำแต่ละคำเนี่ยมักจะสื่อถึงตัวตนที่มันเป็นมันทำให้เราเข้าใจข้อเท็จจริงของสิ่งสิ่งนั้นด้วยกับคาที่ใช้ อย่างภาษาไทยก็มีหลายคํำที่วพอเราฟังปุ๊บเราก็พอจะเก็ทเลยว่ามันสื่อถึงอะไรบ้างแต่บางคําอาจจะไม่สื่ออย่างแต่ในภาษาหลับนะครับคําแต่ละคําก็คือขอแค่เราเห็นคําเราพอจะเดาได้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นคําว่าดุนยาเนี่ยครับจะเกิดว่าพอเราถ้าเกิดใภาษาหลับปุ๊บเรามาดูคําว่าดุนยาปุ๊บเราจะเข้าใจความหมายของคําว่าดุนยาเลยอย่างถ้าภาษาไทยเราใช้คําว่าโลกนี้โอเคเข้าใจว่าโลกนี้คือตอนนี้ ในภาษาหลับเมื่อเราพูดถึงดุนยาเราเข้าใจอะไรยังไงบ้างเราเรามาทําความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเบลตุซิรุนั้รหยะตัดดุนยานั้นมีอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังที่ว่าเราเลือกดุนยาเมื่อรู้ถึงคําว่าดุนยาในภาษาหลับมีที่มาได้สองคำคือมาจากคําว่าดานะหรือดานาอะสองคาซึ่งคนละความหมายกันนะครับดานะกับดานะถ้าเกิดดานาเนี่ยแปลว่าใกล้ก็เป็นความหมายที่ชัดเจนก็เหมือนกับภาษาไทยก็คือโลกนี้ ตอนนี้อะไรที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยซึ่งธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่เราพูดคุยกันก็คือเรามักจะเลือกอะไรที่มันอยู่ใกล้สิ่งที่อยู่ใกล้ก็จะถูกเรียกว่าดุนยาอย่างในกุารานคำที่เราเจอบ่อยๆนอกเหนือจากโลกดุนยาก็จะเป็นสมะอดัดุลย์ยาถูกไหมครับท้องฟ้าของดุนยาถ้าดูในกุารานมีหลายอายะครับเช่นใน Surah f u ว่าก็ดหุนละับอัสมาวะินฟอยูไม่นีววาะที่คุสมาอินอัมร่า ว่า زين السماة الدنيا بمسابيها وحبذا ذلك تقدير العزيز العليم อายะกร้านี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ในความสามารถของผู a l อด سبحانه หัวตาละแล้วก็ทำให้เราเข้าใจคำว่าดุนยามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราเข้าใจคำว่าท้องฟาดุนยามากยิ่งขึ้นความใหญ่ของผู้รออะไรครับเพราก่อรอหุ น, นาผูได้ให้ท้องฟ้าเบอสว ให้มันแบ่งเป็นเจ็ดฟากฟา้ามีเจ็ดชั้นฟากฟา้าอย่างที่เราทราบคือมีฟากฟ้าเจ็ชั้นซึ่งประเด็นนะครับเป็นประเด็นที่มีการทุ่มเสียงถกเถียงกันเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิดผู้บริสุทธิ์พระเจ้าเขาก็จะบอกเจ็ชั้นนี่คืออะไรหรือมุสีมเอามาจากไหนเนี่ยเขาออกไปนอกโลกแล้วไม่เห็นเมียในเจ็ดชั้นอย่างที่ว่ามาทําความเข้าใจกันแล้วเราจะได้รู้ว่าเจ็ชั้นนีคืออะไรฟลักโกโดหุน่าพูดแล้วบอกวพวกลอสเนี่ยให้ท้องฟา้ามีเจ็ดชั้นฟรีเยาวไหมนี่เดี๋ยวพวกวลอสนั้นให้เวลาสองวัน ให้เวลาสองวันก็คือให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเป็นระบบถ้าพระจะบอกให้มันเป็นทีเดียวพระลอสบอกกุญเฟกุญ่อกให้มันเป็นมันก็เป็นก็คือแป๊บเดียวมันก็เป็นแค่พระงพูดก็เป็นแต่พระลอใช้เวลาให้เวลาสองวันในการที่ฟักฟ้าจากฟักฟ้าทั้งหมดที่ว่าเป็นดุขคอนเป็นควันให้มันเป็นฟักฟ้าเจ็ดชั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สอนมุสลิมมากมายทั้งในเรื่องของการทํางานอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องของความอดทนทั้งในเรื่องของการทําอย่าง มีเหตุผลของัวกลัทธิบ า, าโนตระเจ็ดฟากฟ้าคืออะไรคือพี่น้องบางท่านดูท้องฟ้าไปเจ็ดฟากฟ้ามันคืออะไรฉันดูแล้ฉันก็ไม่เห็นมี7ชั้นหรือว่าเป็นชั้นสตาฟฟร์โตเฟียลนิเวเซียอะไรที่เราเรียนตอนประถมหรือเปล่าที่ว่าฟากฟ้ามีแบ่งเป็น7ชั้นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคําตอบไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจคําว่าดุนยาเราก็จะเข้าใจคําว่าฟากฟ้า7ชั้น ยังไงมาดูต่อว่าเอาฮาฟีกุลิสมาอัมบุราห์ซึ่งพวกละก็ได้ให้แต่และฝากฟ้านั้นมีภารกิจมีเรื่องราวของมันก็คือไม่ได้แบบแบบโลง่โลงโๆแบบเตียงๆแล้วไม่มีอะไรแต่ก็หมายความว่ามีอะไรอยู่ซึ่งเราไม่รู้ครับเราไม่อยู่เกินความสามารถของเราไปแล้วแต่คือพวกละซรงทําอะไรมากมายที่เราไม่รู้พี่น้องว่าไซยันน์สมาอัดยุนยาหลังจากที่พวกละบอกว่าทําให้ฟากฟ้ามีเจ็ชั้นใช้ผู้พุท แล้วก็บอกว่าแต่ละชั้นมีเรื่องราวของมันพเพราะราั้ใช้คำว่าแล้วเราได้ประดับประดาฟากฟ้าที่ใกล้ที่สุดสมาอัุญยาใกล้อะไรที่สุดใกล้กับแผ่นดินที่สุดใกล้กับพวกเราที่สุดแปลว่าตอนเนี่ยครับที่พี่น้องมองไปบนท้องฟ้าพี่น้องต่างกลางวันตอนกลางคืนเห็นดารามากมายทั้งหมดที่เราเห็นคือฟากฝาชั้นที่หนึ่งถามว่ารู้ได้ยังไง ถามวารู้ได้ไงว่าทั้งหมดที่มีดวงดาวทั้งหมดที่เราเห็นที่มันไกลที่เขาบอกมีกาแล็กซีเป็นแสนล้านกาแล็กซีแต่ละกาแล็กซีนั้นมีดวงดาวอยู่แสนล้านดวงเอามาจากไหนที่บอกว่าทั้งหมดนั้นคือฟ้าผ้ า, าชั้นที่หนึ่งคำตอบเพราะพวกเราบอกไงครับเราได้ประดับประดาท้องฟ้าที่ชื่อว่าดุนยาด้วยกับประทีปต่างๆก็หมายถึงด้วยกับดวงดาวต่างต่างวฮิปสันแล้วก็ด้วยกับผู้ที่ปกป้องดูแลคุ้มครองมันก็แฟมีมารยาดูแล แต่และดวงดาวอยู่ซึ่งเป็นยังไงว่ามาวพระจอะล่ะเดเรกิตต์ตักดีรุลอาซีสอลีนี่คือการกําหนดของผู้ที่เกลียนไก่ที่รู้ยิ่งพอเรามาคิดอย่างนี้ปุ๊บสุบานอมหรอ AH. แปลว่าฟากฟ้าที่มีดวงดาวมีเพียงฟากฟ้าชั้นเดียวเท่านั้นที่พอล้อบอกเราพอล้อบอกว่าฟากฟ้าดุนยาฟากฟ้าแรกเนี่ยฟากฟ้าที่หนึ่งเนี่ยในเวลาเจ็ดฟากฟ้าเนี่ยฟากฟ้าแรกนี้เป็นฟากฟ้าที่โบนั้นประดับประดาวเรียกกับดวงดาราทั้งหมด บีมาซยวาเหตุนั้น<ม>สุบฮานัลอห์บินองความยกของวัวลอขนาดนไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวในโลกที่สามารถจินตนาการถึงขอบเขตของจักรวาลที่เราอยู่ได้ที่เรียกว่าเอกภพนะครับคือเรารู้แต่ว่าเราอยู่ในระบบะสุริยะใช่ไหมครับก็คือเราก็อยู่ในวงโครจรเราต้องโครจรรอบดวงอาทิตย์อันนี้ก็คือที่เขาว่ากัน ถูกผิดว่าเราอะไรแล้วแต่ก็คือว่าแล้วมีทั้งหมดนอยู่ในกาแล็กซีซึ่งกาแล็กซี่ซ ก, ก, ซก็มีดวงดาวมากมายมหาศาลซึ่งกาแล็กซีไม่ได้มีแค่กาแล็กซี่กาแล็กซีเดียวสุดเกายเราดูบางทีก็เห็นกาแล็กซี่ทางช้างเผือกใช่ไหมครับบางทีเราก็เห็นอนโดมิด้าด้วยกับตาป่าบางครั้งหรือกาแล็กซี่อะไรก็ตามแต่มากมายมหาศาลเกินจินตนาการพี่น้องคิดถึงความใหญ่ของาฟากฟ้าทั้งหมดนี้คือาฟากฟ้าชั้นที่1แล้วทั้งหมด มีผู้ดูแลหมดเลยพี่น้องคิดดูสูบา้านหระพี่น้องความมีแหของพวกวหรอแล้วยังมีเหนือกว่านี้ไปอีกหกชั้นนะพี่น้องมีเหนือกว่านี้ไปหกหกชั้นครับประเด็นที่เราจะคุยกันเฉพาะตอนนี้นะครับก็คือภาคฟ้าที่เราเห็นทั้งหมดที่มีดวงดาราทั้งหมดเนี่ยพี่น้องแล้วก็มีดวงดาวอีกมากมายที่เราไม่เห็นมันเนี่ยที่เราไม่รู้ว่ามันทำอะไรบ้างเนี่ยทั้งหมด ฟากฟ้าชั้นที่หนึที่อยู่ใกล้ชิดกับเราที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นหลังคาของดุมยาเราอยู่ในโลกปกติถ้าเกิดอยู่ในบ้านบ้านก็ไม่มีหลังคาไม่มีหลังคานี่เราเราเราเราอยู่ได้ไหมล่ะครับเดี๋ยว อ, ยอันตรายนั่นอันตรายนี่แล้วในไรคือหลังคาของโลกหลังคาของโลกขังข้าของไปดินก็คือฟากฟ้าดุมยาที่มีเวลากลางวันที่มีเวลากลางคืนที่มีสิ่งต่างๆให้นี่คือมาจากผู้รอบรู้ความรู้ของผู้รอบจะขนาดไหนพี่น้องคิดดูที่บ่งนั้น สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้แล้วก็ดูแลมันด้วยแล้วก็สามารถจะทำลายมันได้ตามที่ ป, งงประสงค์ประสงค์พูดถึงความสามารถพูดถึงความรู้ของพวกวะแล้วเราจะยิ่งกลัวพวกวะครับนี่คือสมาอัตุเนียยืนยันด้วยกับอีกอยาบบา่างนาึงรับบุษสมาวะทิวัติวะรัตวะมาบัยนะหูมาวะรัพุลมัชริฏิอินน๊าเซย์เนศสมาตุเนียบิเซย์เนตินิลควาคิบ วะฮิปดอนมินกุลิเชยต้อนนในที่ครับได้อธิบายคําว่าฮิปดอนไว้อีกหนึ่งความหมายนั่นก็คือพวกเราเก่าไงครับพวกนะั้นคือผู้ที่ดูแลฟากฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผืนแผ่นดินแล้วสิ่งที่อยู่ระหว่างมันระหว่างแผ่นดินไปจนถึงฟากฟ้าพี่น้องก็คือเหนือแผ่นดินก็คือตั้งแต่เราอยู่ในเนื้อขึ้นไปจนถึงฟากฟ้าก็แปลว่าแผ่นดินนี่คือที่เราอยู่ฟากฟ้าคือเหนือเราไปแล้วก็มีระหว่างนั้นพวกเราดูแลมาเต็ม ว a r a บบุตรมาช i ิกแล้วพวกเราเป็นนายเป็นเจ้าของผู้ดูแลตะวันออกอินเนสายนะทำไมตเป็นชื่อ a ่าตะวันออเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วมาจออ่อทะ a ลไปไกลนะครับ a มเอาแค่นี้ก่อนอิ a เนสายนะสมาดุ a ยาแน่นอนเราได้ประดับประดาท้องฟ้าที่ชื่อว่าดุญญาท้องฟ้าที่ชื่อวอ่าดุญญาสมะเอกพจน์ฟ้าฟ้าเดียวที่ชื่อดุญญาเราได้ประดับประดามันด้วยกับดวงดาวต่างๆกวาคิอาจจะแปลว่าเป็นดาว เคาอย่างเดียวหรือจะแปเป็นดวงดาวทั้งหมดก็ได้วาฮิบยอนมินคูริเชยตอนมาริดแล้วเราก็ได้ให้ท้องฟ้าเนะี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันหรือให้ดวงดาวเนะี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันจากชัยตอนทั้งหมดที่ทเป็นเจ้าวางแผนที่ชั่วหลายไม่ใช่ตอนมันขึ้นแบบรับฟังไปทําอะไรแผลงที่บนท้องฟ้าถ้าเรามาคิดดูอย่างนี้ฟ้าผ่าชั้นแรกคือฟ้าผ่าดินอย่าฟ้าาสุดท้ายว่าร้อยละบางท่านเรียก ว, ว่า เป็นฟักฟ้าอาคเรอฟักฟ้าอาคัคเครก็คือฟักฟ้าที่ติดอยู่อยู่ใกล้กับสวรรค์เลยขึ้นไปก็เป็นสวรรค์เลยไปก็มีอรารัชของพวลอัลลอฮซุบฮานะฮูวาตาลามันกับที่พวกเากล่าวอย่างี้ครับววลากระร้าหูนซเรตัลอัคราอินดัสิดรตินมุนเตฮาอินดะฮะจันเนตุลมาอวะอิดยาคเชลิดรัตมะยาคเช มาสักลักษณะว่าแล้วก็เริมจากอันอาญย์ีรับบิห์ลกุบราเนสร์แล้วชุมนุพุ่งารู้นอรูขับลว่าโอเคเราอยู่ฟากฟ้าเราอยู่ในแผ่นดินใช่ไหมระหว่างนั้นก็มีสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นแล้วก็เป็นฟากฟ้าดุนยาแล้วก็ขึ้นไปฟากฟ้าชั 2, ชน้นที่สชั้นที่าชั้นที่สแล้วก็ถึงฟากฟ้าชั้นที่มวนลนากิกาว่าไงครับแน่นอนเราได้น บ, บีมอฮมสลนะสลัมน่เห็นท่านชิบลินในรูปลักษณ์ของท่านน บ, บีของท่านชินบินแบบเต็มเต็มเลย นั่นแสอุครออีกครั้งหนึ่งตอนไหนครับอนดซิตรตินมุนตาหาตอนที่ท่านจิบรีนพาท่านอาบีไปเห็นไปถึงซิตรตินมุนตาหาก็คือฮอลเซอนนะครับผมสุดขอบเขตจักรวาลที่แท้จริงสุดขอบเขต ฟ, ฟ้าฝ่าสุดขอบเขตทั้งหมดที่มรคลุกจะไปได้ตรงนั้นเรียกว่าซิตรตินมุนตาหาก็คือมีต้นซิตรอลอยู่ซิตรอลคืออะไรครับซิตรอะก็คือต้นพุทาต้นพุทราเป็นไงวะเราอันลับชื่อเหมือนกันแต่รูปลักษณ์เป็นไงไม่มีใครรู้ แต่ที่แ น, นก็คือเลยฟ้าฟ้าทั้งหมดที่เราเกินจินตนาการของเราเลยฟ้ า, ฟ, าฟ้าดุนยาไปเนี่ยขึ้นไปสองขึ้นไปสามขึ้นไปสี่ขึ้นไปห้าขึ้นไปหกขึ้นไปเจ็ดเลยขึ้นไปสูงสุดเท่าที่คนจะไปได้ตรงนั้นคือสิทรารมุนมหาซึ่งเราบอกได้ให้ท่านบิวสรร์สำรับนเห็นท่านจีมบินด้วยกับรูปลักษณ์ของท่านจีมบินแบบเต็มๆซึ่งในที่เนี่ยพวกเราบอกเลครับอินเดซิดารัตินมุนตหาได้ไปเห็นที่ซิเราตุมุนตหา ในแถบฉันนัตุลมะวาตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสวรรค์ที่เป็นที่พำนักอยู่ก็แปลว่าเลยฟากฟ้าไปก็เป็นสวรรค์ครับผมซึ่งอย่างที่รเราทราบเมือ่อผู้ศรัทธาเสียชีวิตวิญญาณจะถูกพาไปข้ามฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งข้ามไปไ น, นึ่สุภาแล้วเนบไปฟากฟ้าชันที่สองฉันที่สามฉนที่สี่ฉัน้าฉันที่หกฉันที่เจ็ดแล้วพวกเราก็จะบอกว่าจงบันทึกชื่อบาวของข้า ให้อยู่ในบันทึกของชาวสวรรค์ก็คืออินรียนีนแล้ววิญญาณก็จะยุกนํากลับมาทั้งหมดในช่วงเวลาเพียงคลิปตาเดียวแต่บาร์เราก็ล้ออัสนรรย์กินนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ล้อพี่น้องให้ควรให้มากแล้วเราจะยิ่งทึ่งแล้วเราจะยิ่งหวังจากองค์ล้อแล้วเราจะยิ่งกลัวพระ อ, องค์แล้วเราจะยิ่งมีความสํารวมตนต่อพระองค์ล้อสุบานุตราา ม, มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะรักพระ อ, องค์พี่น้องนี่ สมัยดุนยาเราเข้าใจแล้วนี่คือฟ้าฟ้าดุนยานี่คือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองครับถ้าเกิดเราแปลในเรื่องของดานาอะเราบอกว่าดุนยามันได้สองคำ ม, มาจากดนาหรือดานะดานาแปลว่าสิ่งที่ตกต่ำสิ่งที่เลวร้วายที่สุดสิ่งที่แบบแปลเป็นไทยว่าไงดีกระจอกที่สุดอ่ะพี่น้องดุนยาดานาเนี่ยกระจอกที่สุดคือ เราจินตนาการตอนนี้เรากาลังอยู่ในโลกที่กระจกที่สุดแล้วเราก็กาลังหลงไหลกับสิ่งที่กระจกที่สุดแล้วเราก็หมดชีวิตของเราหมดเวลาของเราไปกับสิ่งที่กระจกที่สุดแล้วเราก็หลงลืมสิ่งที่เป็นความผาสุกที่แท้จริงสิ่งที่ดุนยาเทียบไม่ติดฝุ่นเราหลงลืมมันไปมนุษย์น่าสมเพชไหมครับพี่น้องพวกเราพูดถึงพวกเราพูดถึงตัวผมก่อน ตัวผมน่าสมเพศไหมตัวเราหน้าสมเพศแค่ไหนที่ว่าตอนเนี้ยเรากําลังยึดติดกับสิ่งที่ต่ําต้อยที่สุดสิ่งที่เหยื่อที่สุดอต่พี่น้องแต่เราเจ้าเป็นเอาตายกับมันนะเราอยากได้บ้านคอมาร์ทาผมใช้ศัพท์อยากนะครับเราอยากได้บ้านห่วยหเราอยากได้รถห่วยห่วยเราอยากได้ที่อยู่ที่มันแย่ที่มันอะไรที่มันแย่แย่แยที่เราทุ่มเทเกือบทั้งชีวิตเพื่อสิ่งต่ําต้อย เพื่อสิ่งที่ไรค่ะพอมาคิดดูเออทาไมฉันถึงอินกับดนยาขนาดนี้ทําไมฉันอินกับคนรักทำไมฉันอินกับคนเกลียดทำไมฉันอินกับทรัพย์สินทําไมฉันอินกับดาราทำไมฉันอินกับนักร้องทําไมฉันอินกับหนังอินกับการเล่นๆทำไมฉันอินไปหมดเลยทําไมฉัน ฉันถึงได้ต่ำต้อยขนาดที่ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับสิ่งที่ต่ำต้อยเช่นถ้าเราคิดถึงยุญญาในความหมายของคำว่าดานาเนี่ยพี่น้องเราจะิงรู้สึกว่า น, นี่ฉันเป็นอะไรของฉันไปเบลตุซีดูในขยะตัดยุนยาแต่ถ้าว่าพวกเจ้ากับเลือกเอาชีวิตที่ต่ำต้อยที่ไร้ค่าที่ เฮยเฮยนี้อารมณ์ประมาณไหนพี่น้องเหตุผลเพราะเลยถ้าเรามาดูเหตุผลครับหลักๆเลยพี่น้องประการแรกทำไมเราถึงคือถ้าเราคิดดูถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามีของให้เราเลือกเนี่ยสมมุติมีอาหารให้เราเลือกเนี่ยตอนนี้มีอาหารมาตั้งหน้าเราเนี่ยเป็นเศษไม้จิ้มฟันให้เรากินแล้วก็ ถ้ า, ร, ารอๆแปบหนึ่งเนี่ยจะเป็นอาหารที่ดูหร่าเต็มโต๊ะมีแต่ของที่เกินจินตนาการตอนนี้พวกเรากําลังกินไม้จิ้มฟันอย่างหมุอย่างต ะ, ตะกะตะการ์อย่างรู้สึกว่ามันคือสุดยอดแล้วอ่ะรู้สึกมันคือทั้งหมดแล้วคือเราเราอยากได้ทั้งหมดเนี่ยเราเราอยากได้บ้านใหญ่ในดุงยาที่มันจะพังที่เราต้องซ่อมเราอยากได้รถที่ถอยมาปุ๊บราคาตกทันทีเราอยากได้มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ว่าใช้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็มีใหม่กว่านี้อีกเราทําไม เหตลหลักข้อเดียวครับพวกเราโง่ีเนาะโง่ชัดเจนพวกเราก่าอินนาะอะไรนอาาลอัลสมาบัตุบลอาลูิบานฟาบัยนะอยะฮมิน่าฟาอัชักนะมินเาวะฮมรรอินซานอินะฮูการะรอลูมันจะฮูละหน้าที่ความรับิชอบพวกเราเสนอให้กับทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งไม่เอามนุษย์บอกว่าฉันจะรับเองพวกเราบอกว่าไงครับมนุษย์เนี่ยมันโง่แล้วก็อาจท นง่วพราะอะไรโง่เพาเราเร า, เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเอาอ่ะเราไม่รู้ในสิ่งที่เราทําเราไม่ได้ให้คุณค่ากับสิ่งที่เราต้องให้คุณค่านง่โงพูดถึงใครพูดถึงพวกเราทุกคนพู้ดถึงของจริงก่อนคนแรกคือเราไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงบางคนรู้หรือต้องบอกมุสลิมเนจริงจริงมุสลิมเน่ยรู้มุสลิมทุกคนรู้หมด รู้ว่าดุนยาต่ำต้อยรู้ว่าดุนยาเป็นบททดสอบรู้ว่าอาคิระมันเกินจินตนาการคือความผาสุขคือความสุขที่ดินในดุนยาเนี่ยเรียกว่าเป็นความทุกข์เลยคือความสุขทั้งหมดที่พี่น้องได้ในดุนยาถ้าไปเทียบกับอาคิระเทียบในสวรรค์เนี่ยทั้งหมดคือทุกข์หมดเลยพี่น้องไม่มีอะไรที่เป็นความสุขพี่แท้จริงแต่ทําไมล่ะเพราะเราไม่รู้แหละ จะว่าไปเรารู้นะพวกเราบอกนะเราเรียนกุรอานมานะเราเราเรียนฮะดีสนะเราเรารู้หมดเลยแต่ทำไมพฤติกรรมของเรามันสวนกับสิ่งที่เรารู้นี่คือความหมายของคำว่าคนง้ไงพี่น้องาายัยวะมหิดลพยาจุตินจะอิลลลฮูวะลายบูวะอินดารุลอาคราตัตละดารุลอาคราตัะรครตละลฮ ล, ยลพยวนเรานลมูบอกในสุอัตนมบุตว่าไงครับชีวิต ในดุนยาชีวิตดุนยาเนี่ยชีวิตที่ต่ำต้อยเนี่ยชีวิตที่อัประยชน์เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความไร้สาระพี่น้องมาลองคิดดูจริงๆอะไร้สาระไหมสมมุติเอ่อเอาไงดียวพี่น้องลองดูคนที่เขาอินหนังถ้าจะได้เข้าใจนะอินหนังอะไรที่พี่น้องไม่ชอบอ่ะแล้วเห็นเขาอินแล้วเห็นเขาเวอร์หรือว่าเขาอาจจะชอบดาราที่เราไม่เข้าใจว่าไปชอบไปได้ยังไงหรืออะไรประมาณเนี่ย ถ้าดูในมุมมองเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนว่าทําไมมุมมองของเขาถึงหลงทําไมถึงงมงายหรือบางทีถ้าเกิดเพื่อนคนที่เรารู้จัก อ, อกหักอย่างเงี้ยล้วก็บอกเลยเนี่ยแล้วแกไปชอบมันได้ตั้งแต่ไงนๆตอนแรกแตมันเป็นอย่างนั้นมาอย่างนี้อ่านี่คือเรารู้ไงแต่พอกลับเป็นเราเองล่ะอ่ะถ้าเกิดเป็นหนังที่เราชอบเป็นคนที่เราชอบเป็นอะไรก็ตามแต่ดาราที่คนสมัยนี้รุ่มหลงถามว่ามุสลิมลุ่มหลงดาราไม่เยอะ เอาความจริงมาพูดสิไม่ต้องบอกว่าไม่ได้แต่穆ิมห้ามพูดว่าหลงดาแล้วมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่คําสอนอิสลามมันขัดกับคำสอนอิสลามแต่มันเป็นสิ่งที่มุสลิมทำอ่ะมันก็ต้องมาพูดหรือเปล่าล่ะพระบูดาบอกไงครับชีวิตในดุนยาเนี่ยชีวิตที่อัภยศเนี่ยชีวิตที่ต่ําต้อยชีวิตที่มันใกล้เนี่ยมันมันไม่มีเลยนอกจากความละหุนสิ่งที่มันไม่มีกานสารนะมันไม่มีการสารไม่มีอะไรเลยบวละอีบุลแล้วก็มีแต่การลเล่นนี่แค่นั้น เหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ไร้สาระสนุกกับสิ่งที่ไรส้สาระซึ่งพวกใช้คําไวง้งดงามแปลว่าวาอินเ ด, ดรอร์ลัคโรในขณะที่โลกสุดท้ายโลกหน้าและเฮลไฮเยวานมันคือสีสันชีวิตที่แท้จริงมันคือชีวิตอะพี่นะ้องฮเยวานเนี่ยคือไฮยารคือชีวิตอะคือพวกเราบอกว่าในดุนยาเนี่ยมันแทบไม่เรียกว่าชีวิตเลยนะไอ้ที่เราอยู่ตอนเนี่ยมันไม่เรียกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรเลยเล ย, เลยอะเอาจริงๆไม่มีอะไรเลยแล้วกินขับทาย ทำงานเหนื่อยแค่นั้นเหรอชีวิตมีแค่นี้จริงๆมันมันไม่มีอะไรเลยซึ่งเราบอกไมครับเทียบกับอาคิโรลว่าอินดาร์อาราตลยยวาหล่ากาโูยะลมุนขอแค่พวกเขารู้พวกเราใช้คำอย่างี้ในขณะที่โลกหน้านั้นคือชีวิตที่แท้จริงหากเพียงพวกเขาจะได้รู้เรากาโนยะลามนพวกเขานี่หมายถึงใคร มันก็คงจะหมายถึงพวกเราหร้หรือเปล่าก็อินนาริละวินนาอิเลรอชิวครับมีความรู้แต่งงได้มันก็แปลกนะพี่น้องรู้แต่งงได้ก็คือรู้แล้วไม่ได้ทาในสิ่งที่เองรู้เกเรียกว่างงวดเรียกว่าขาดเขาถูกไหมครับผมาัลฮัมดิลลาฮิรับลุาะกะบะคุลอิบาริยัลลาลลิอัสราฟูอัลอามฟุซิมละตะคตุมิรฮมัติลลา ผัวลอคผู้ทรงสูงทรบอกว่าจงกล่าวแก่บ่าวของข้าที่เขาฟุ่มเฟือยสุรุสุรายกับชีวิตของเขาเอาชีวิตของเขาไปใช้แบบซุรุ่ยซรายผัวลอคบอกกับพวกเราครับบอกว่าลาตักนาตูมีราห์มาตินแล้วอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของผัวละคผัวลรคนั้นอภัยให้ได้ในบาต ท, ทั้งหมดไปนั้นพี่น้องเรามาคิดได้สักทีแล้วก็ขอต่อบาตสักทีขอไปโทษสักทีอะไรที่เรายึด ต, ติดเกินไปพี่น้องบางทีเราต้องมานั่งคิดบางทีต้องมานั่งทบทวนว่าบางทีบางครั้ง สิ่งที่เรายึดติดจะเป็นจะตายเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเดียวกับที่เราจําเป็นจะต้องทิ้งมันหรือเปล่าคนที่เรายึดจะเป็นจะตายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เราควรจะต้องทิ้งหรือเปล่าหรือสิ่งที่เรายึดเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทิ้งไหมงานที่เรายึดจะเป็นจะตายความรู้สึกความผูกพัน like, สิ่งของจริงๆนะพี่น้องหลายครั้งเราจะพบว่าสิ่งที่เรายึดติดกับมันเนี่ยจริงๆแล้วน่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทิ้ง มันเป็นสิ่งที่ทําร้ายเรามันเป็นสิ่งที่เราทําให้เราเจ็บปวดมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายอนาคตของเราแต่เราก็กำลังเลือกยึดติดจับมันเหมือนหลายครั้งครับบางคนที่แบบว่าเจอคนแย่แย่รู้จักกับคนแย่แย่แล้วก็บอกว่าฉันไม่สามารถทิ้งเขาไปได้ไม่สามารถเลือกเขาไปได้เราเป็นคนยึดติดเกินไปหรือเปล่าเรายึดสิ่งที่เราควรจะทิ้งหรือเปล่าตรงนี้ต้องเตือนตัวเองพี่นะ้องต้องเตือน แล้วก็ต้องระวังพี่น้องต้องระวังจริงๆต้องระวังจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกผมผมไม่ได้บอกว่าใครอะไรยังไงแต่ผมพูดถึงตัวผมแล้วก็พูดถึงพี่น้องทุกท่านที่มีสภาพเหมือนกับผมเงี้ยเหตุผลแรกครับที่เราเห็นสิ่งที่ต่ำต้อยเราเห็นเศษไม้จิ้มฟันน่ากินแล้วเราก็กินไปอย่างผีผามโดยทิ้งอาหารไปเนี่ย พราเราโง่สังทั้งที่เรารู้อันนี้คืเหตุผลแรกละโง่สั่ทั้งที่รู้วิธีแก้ทํายังไงพี่น้องไปเคลียร์กับตัวเองผมก็ต้องเคลียร์กับตัวผมเองดูอาขอให้ผู้ล้อเมตตาให้ผู้ล้อนําทางเราจริงๆเราก็ขอทุกวันนะพี่น้องแปลกไหมพี่น้องคือเราขอแบบเราไม่ได้ขอ่ะคื อ, ค, อคือเราขอไม่ให้เราโง่ในทุกลหมาดดเราขอว่าโอ้ล้อปวดนําทางเราแต่เราขอเหมือนเราไม่ได้ขอคือตอนเราขอเราไม่รู้ว่าเราขอแล้วก็อให้มันจบๆฟ้ยายะเหมือนกับเป็นบทสวดบทหนึง่ง อยากกันนดูอยากกันนะ่เนี่ยสงธรรมเสีบางทีรวมหายใจเดียวจบไฟแจแล้วก็จบไปเหมือนกับเป็นบทสวดหรืออะไรที่มันไรลแค่ที่มันให้มันจบจบไปเราขอเหมือนเราไม่ได้ขอเราเหมือนจะอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้แปลว่าอะไรครับเราเหมือนว่าเราอยากได้สวรรค์คือเหมือนกับพวกเราทุกคนเหมือนกับตัวผมเหมือนกับผมก็อยากได้สวรรค์แต่ถามว่าสิ่งที่เราทําในชีวิตแต่ละวันเราเลือกสวรรค์จริงหรือเปล่าเราเห็นสวรรค์เป็นเป้าหมายหลักจริงหรือเปล่า คืออย่างชวนพี่น้องคุยเนี่ยในหัวของเราตเนี่ยอะไรคือเป้าหมายที่ชัดเจนของเราเราเห็นภาพอาคริลัชัดเจนแค่ไหนหรือดุนยามันชัดกว่าอันนี้อย่าหลอกตัวเองเนะพี่น้องก็คุยกับตัวเองเอาเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ว่าทําไมเราถึงยึดติด ก, กับดุนยาก็เนื่องจเพราะมันใกล้นี่แหละเราใน ล, ลืมไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าคําว่าลืมพี่น้องพราะลืมกว่าเราจะรู้สึกตัวเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้บางคนไม่รู้สึกตัวเลยฮะ แต่อีเด um ชหาดูอาจจะเอาเงินมาอกว่าความตายมาถึงนั่นแหละเราถึงจะบอกรอบเบีร์จียงโอ้นายของฉันฉันขอกลับไปได้ไหมผิดไปแล้วพลาดไปแล้วฉันลืมตลอดชีวิตฉันเนี่ยตายคุคิดออกกันแล้วอินนาเกลีมาตุลก็ทำได้แค่พูดมันก็ได้แค่พูดมันจบไปแล้วความงูเขานี่น่า ก, กลัวแล้วนะความหลงลืมเนี่ย น่ากลัวขึ้นไปอีกเพราะเราให้รู้แค่ไหนก็ตามขอแค่คุณลืมจบเลยถูกไหมครับบางที่ลืมละมาอย่างเงี้ยทำอะไรเพลินไปปุ๊บุบอ่าหมดเวลาเอาให้ยังไม่ได้ละหมาดลืมเดือดร้อนไม่เดือดร้อนสิพี่น้องหรือคุยใครในดุนยาก็ได้ไปต่อคุยเรื่องอาคร่รนะ้อบางคนบอกคุยเรื่องอาคร่รนะาอเครียดเอาใคร่ดุนยาก็ได้ลืมนัดอย่างเงี้ยนักสําคัญอย่างเงี้ยเป็นนักจะเป็นจะตายธุรกิจพันล้านแสนล้านถ้าลืมไปนี่พี่น้องนี่อยากจะแขวข้งเขตายเลยแหละลืม เห็นไหนะของผู้ศรัทธาครับลืมทาไมถึงลืมเพราะดุนยามันสวยถามว่าดุนยาสวยจริงไหมมันมันไม่ได้สวยหรอกเพียงแต่เรายังไม่เจออะไรที่สวยกว่าดุนยากิคือเราอยู่ในดุนยาเราเห็นแค่ดุนยาแล้วก็มันมันสวยแล้วว่ามันผู้หญิงก็สวยดอกไม้อาหารกันกินก็อร่อยเอความเป็นอยู่การท่องเที่ยวเรื่องของมันดูสวยมันดูดีมันอะไรไปหมดมือถือีอะไรมัน มันแจมมันแหลมมันอะไรที kids, ่เขาจะใช้คานมานาพี่น้องพระก็กล่าวไว้ในสุราอิมรอนชัดเจนคขาบอกซุยนนา للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناة المغنترة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأعم و ا ل ح อ ذلك ما تأول حياة الدنيا والله إنده حسن ا ล م ع ا ب د มนุษย์นั้นได้ถูกปราบปราด า, าถูกทําให้เห็นว่าสวยคือเปลว่จริงๆมันไม่ได้สวยอะพี่น้องแปลว่จริงๆมันไม่ได้สวยมันถูกทําให้ดูสวยงามาอะไรล่ะครับความรุ่มหลงพระราชกุบชาวาความลุ่มหล ง, ม, าา ม, ล ม, ลงมีความสุขที่ได้ลุ่มหลงต่อผู้หญิงต่อลูกหละต่อลูกๆลูกห ล, ล, ลานเด็กๆ ต่อทรัพย์สินที่มากมายมหาสารลุ่มหลงหมดไหมอนแรกพวกเราเริ่มด้วยกับผู้หญิงนี่เห็นภาพชัดเจนโดยเพราะกับพวกเราผู้ชายผู้ชายต่อให้เป็นผู้รู้ครับถ้าจะตายง่ายที่สุดก็พอผู้หญิงถูกไหมครับก็คือจะทำเรื่องผิดพลาดเองในผลง่ายที่สุดก็คือเนื่องมาจากผู้หญิงตัวอย่างชัดเจนดูไปทั่วโลกพี่น้องทั่วทุกที่เลยเริ่มด้วยกับผู้หญิงหลังจากนั้นความผูกพันที่มีต่อลูกหลาน เ อ, เอาเวลาเราไปทั้งหมดแล้วช่วงวัยรุ่นเนี่ยผู้ชายเนี่ยพึงจะบางหนุ่มนะนะผู้หญิงเอาเวลาไปเกือบหมดแล้วในความคิดขอ ง, ของเองพอมีลูกปุ๊บอ่าลูกหลานเอาเวลาไปเกือบหมดของเราแล้วแล้วทรัพย์สินล่ะความคิดทั้งหมดเกือบทั้งหมดของเราอยู่กับทรัพย์สินที่มากมายมหาศาลอยากได้เยอะๆอยากมีเยอะๆถ้าคนที่พอมีทรัพย์สินปุ๊บอ่าอยากได้พาหนะดีๆมีพาหนะดีๆปุ๊บอ่าเริ่มที่จะ ชอบธรรมาชาติขึ้นก็อยากเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงแพะชอบเลี้ยงแกะบางคนเริ่มมีอายุปุ๊บชอบงานสวนเรามีแต่สิ่งที่มันจะดึงเราให้ยึดติดกับดุนยาเแบบนี่ยนพะี่น้องพวกเราแบบนี้จามาเจอาอะญาติดดุนยาทั้งหมดที่ว่ามาเนะี่ยเป็นสเสบียงสำหรับชีวิตของโลกคือจบให้โลกนี้จบโลกนี้ก็จบกันแต่ที่พวกเรา้อนั้นมี ที่กลับไปที่มันดีเยี่ยมพระองค่ใช่คาว่าดีที่สุดงดงามที่สุดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็คงลืมเราก็ยังคงหลงลืมกันอยู่เหตุผลที่สามครับผมอันนี้เป็นสัจธรรมที่น่ากลัวสัจธรรมที่น่ากลัวธรรมชาติแล้วเรารักสิ่งที่ น่ารังเกียจมากกว่าสิ่งที่ดีงามเห็นด้วยไหม αι? ธรรมชาติเนี่ยเรารักสิ่งสกรปรกมากกว่ารักสิ่งที่สะอาดธรรมชาติเราชอบสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีอ่ะพูดยังไงก็ได้บางคนบอกเป็นไปได้ยงไงเราอยากได้แต่สิ่งที่ดีเราชอบแต่สิ่งที่ดีเอาคุยงาย่ายๆเลยปกติแล้วหลับช้าหรือหลับเราเราหลับดึกหลับเร็หรือหลับดึกเลยนคนบอกหลับดึกรู้ไหมไหนดีกว่ากันหลับเช้าดีกว่าเงี้ยแตล่ลงรักตัวเองไหมไม่ได้รักตัวเอง และแฟนก็ตองหลับเร็วต้องไปหลับดึกคนหลับเร็วกันตลอดไปหรือบางคนบอกไม่นะฉันชอบสิ่งที่ดีงามเอาถามจริงๆคบแฟนเนี่ยกับมีสามีมีภรรยาเนี่ยอันไหนรู้สึกดีกว่ากันรู้สึกสนุกกว่ากันรู้สึกชอบกว่ากันพี่น้องเอาจริงๆมาพูดเลยส่วนใหญ่นะ่ยเกือบร้อยทั้งร้อยแต่คบแฟนสนุกกว่ามันตื่นเต้นมันว้ากว่ามันรู้สึกดีกว่าพอแต่งงานปุ๊บฉันไม่น่าแต่งงานเลยหลายๆคนมันต้างบน เ้ราะอะไรก็พอแต่งงานแล้วรู้แล้วว่ามันจริงๆชีวิตมันต้องมีเรื่องคําว่ารับผิดชอบไอตอนเป็นแฟนคําว่ารับผิดชอบมันไม่ค่อยอยู่ในหัวไงคือโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยชอบอยากทําทุกอย่างกับผู้หญิงแหละยกเว้นรับผิดชอบก็ไม่อยากรับผิดชอบเพราะฉะนั้นถามว่าชอบไอะไรมากกว่าคนชอบอะไรมากกว่าชอบแฟนมากกว่าชอบผู้ครองพี่น้องชอบสิ่งสุขปกมากกว่าสิ่งที่สะอาดถึงเวลานอนกับผู้ครอง กับทําซีนาถ้าถามคนที่ทําซีนาก็าบอกทําซีนามีความสุขกว่าไม่งั้นมันไม่ทําหรอกถูกไหมครับฮารอมขนาดนั้นทำไมถึงทําหรอเพราะควารู้สึกมันดีกว่าไงแต่ลงชอบอนไรมากกว่าพูดถึงทรัพย์สินดอกเบี้ยชอบกันไหมชอบเอาพูดตรงๆชอบไหมล่ะบางคนบอกไม่ชอบมันฮารอมอย่างงั้นมันฮารอมอย่างนี้อ่ะปัจจุบันเยอะแยะครับหลายหน่วยงานเลิบออกมา ประกาศระดมเราขอกระดมใครที่มีดอกเบีย้ยไม่ได้ใช้เอามาให้เราเราไปจะเอาไปจัดการให้กับท่านโอช่างเป็นบุญคุณที่ล้นหลามมหาศาลอะไรเช่นนี้ได้หน้าได้ผลประโยชน์จากดอกเบีย้ยมันเป็นยังไงพี่น้องนาอุสบิลามินดาลิกมันฮารอมตั้งแต่ไปยุ่งกับมันใครยุ่งกับมันผิดตั้งแต่ยุ่งพอมีปุ๊บจะเคลียร์ไงเคลียร์ของใครของมันอย่าได้ไปกอบ โกยผลประโยชน์จากสิ่งที่หารอมเพราะถึงเวลาเดี๋ยวมันต้องมีพี่น้องคนทํางานเพื่อสากาัดเอาสกัดได้ฉันทํางานเพื่อดอกเบีย้ยฉันก็ต้องเอาดอกเบี้ยได้ฉันเอาดอกเบีย้ยพี่น้องไปใช้ใจ่ายแทนเขาฉันก็ต้องเอามีค่าใช้ใจ่ายฉันก็ต้องเอาเงินดอกเบี้ยนเนี่ยมาใช้มันต้องเกิดแบบนี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องตกลงสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันเป็นที่น่ารังเกียจสําหรับเรามากกว่าสิ่งที่อภัยยศพี่น้องเห็นด้วยไหม อย่างมุสลิมเอาตรงๆพี่น้องเคยคิดไหมที่แบบว่าอาหารกาเฟต์น่ากินเนาะเหล้าอยากจะดื่มจงเลยมันน่าจะอริดอร่อยนะเนี่ยเข้าไปในเซเว่นเนี่ยของฮาลั่นมีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ทําไมฉันอยากกินแต่ของที่มันไม่มีต่ฮาลั่นหยิบของอันนี้ฉันอยากกินมันอ่านไม่มีฮาลา่นอันนั้นก็ไม่มีฮาลั่นอันนี้ก็มีฮาลั่ลนเพราะอะไรครับเพราะใจเราชอบสิ่งที่น่ารังเกียจมากกว่าสิ่งที่ดีอย่างไงละ่ะธรรมชาติของพวกเราทุกคนถูกสร้างมาแบบนี้พี่น้อง อินนัปซะและอัมมาระตุนบิสุจิตใจนั้นถูกสั่งใช้ให้ทำหรือให้รักใช้ให้สั่งใช้แต่สิ่งที่ชั่วร้ายอิลลามารา์มาราะบีนอกจากบุคคลใดที่โปลลอนั้นจะให้เขารอดผลหลักฐานที่ชัดเจนกว่า น, นั้นพี่น้องพี่น้องดูอักอัลกุรอานสุรอิสรัฮว่ายะดารอินซานุบิษฐ์ริฎูอัอาบิลขัยริบกครอินซานูอาจูละ แล้วมนุษย์เนี่ยชอบเหลือเกินที่จะขอดูอาให้ได้ความชั่วร้ายแทนที่จะได้สิ่งที่ดีเอึ้งเลยไม่พี่น้องมนุษย์ชอบขอดูอาให้ได้สิ่งชั่วร้ายมากกว่าสิ่งที่ดีหลายครั้งที่ผมเคยได้ยินคําถามที่ไม่น่าจะได้ยินก็คือขอดูอาให้ได้รับสิ่งที่ฮารอมได้ไหมคือเขาไม่ได้พูดแบบนี้แต่เขาอยากได้สิ่งที่ฮารอมแล้วเขาบอกขอดูอาได้ไหมดูอาให้ได้หวยถูกหวยดูอาให้ชนะการพนัน ดูอาให้ได้คนนั้นมาเป็นแฟนดูอาให้ดูอาให้ดูอาให้มีทรัพย์สินมากมายดูอาให้มีเงินเยอะเยแล้วก็ไม่คิดจะจ่ายสากาดดูอาให้สามารถได้ไปท่องเที่ยวได้ทุกที่แต่ไม่สามารถไปทำพิธีทำอุ่นรห์พี่น้องสังเกตไม่หลายครั้งเราดูอาเนี่ยเป็นตามที่พี่น้อบอกหรือเปล่าที่มนุษย์เนี่ยเขาเรียกร้องเขาขอความชั่วแทนที่เขาจะขอให้ได้สิ่งที่ดีดูอาส่วนใหญ่เราจบกับดุนยาเห็นด้วยไหม เอามาเทียบสัดส่วนกันนะเอามาเทียบกันเลยนะสิ่งที่เราอยากได้ที่เราเป็นแรงประทนานอกเราอาเคโรกับดุนยาอันไหนมากกว่าวกันในแต่และ ว, วันก็สอบสวนตัวเองสอบถามตัวเองพี่น้องผมกลัวหลือเกินว่าตัวผมเองเนี่ยที่อยากได้ที่ขอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นดุนยาซะมากกว่าหรือเปล่าโอเคขอดุนยามันไม่ผิดอะไรแต่ว่าเราขอแล้วทำให้เราไม่ได้อาเคโรหรือเปล่า อย่างบ้างคนจะรู้เลยว่าอีกคนนึ่งเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ทาให้เขาตกต่ําแน่นอนแต่ขออย่าเล้อฉันอยากจะแต่งงานคนนี้จริงๆไม่ได้คนนี้ในชีวิตนี้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องตายแน่ๆหารู้ไม่ว่าถ้าได้คนเนี่ยเราจะตายยิ่งกว่าตกน้องทั้งเป็นอีกทั้งดุจยากับอ้แคลระไม่รู้แต่ว่าใจเรามันเลือกสิ่งที่ชั่วร้ายมากกว่าสิ่งที่ดีพี่น้องเอาไปสอต้องไปตรวจสอบเองจริงๆตรวจสอบเองจริงๆ จิตใจของเราตกลงเนะี่ยมันรักสิ่งที่ดีงามจริงๆใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักสิ่งที่ดีงามอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสอบสวนตัวเองมีคําถามที่ผมสะเทือนใจมากๆพี่น้องเจอคําถามมาแล้วสะเทือนใจมากหวังว่าผมจะผมไม่ได้บอกใครถามนะครับ คำถามที่สะเทือนใจก็คือเขาบอกว่าอาจารย์ตกลงเนี่ยพ่อแม่เนี่ยลูกคนไหนต้องดูแลล่ะพ่อแม่ลูกคนไหนต้องดูแลนะครับผมเข้าใจเป็นคําถามที่ว่าอยากจะได้ไประเด็นเรื่องของฟิกอยากจะรู้ว่าใครที่เป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลพ่อแม่คือเหมือนกับว่าพ่อแม่มีลูกหลายคนแล้วลูกแต่ละคนก็อยากทีปหัวพ่อแม่ ให้ลูกคนอื่นดูแลผมพูดแรงไหมอาจจะพูดแรงแต่มันคือความจริงไหมล่ะเอาความจริงโดยเพราะถ้าเรามีครอบครัวไม่อยากดูแลพ่อแม่อยากดูแลแต่ครอบครัวของเราเอาแต่ลูกของเราเป็นกันเยอะไหมเป็นกันเยอะคาถามนี้เป็นคําถามที่ชวนให้หดหู่ใครถึงเวลาใครที่เป็นหน้าที่หลักที่ต้องดูแลพ่อแม่พี่ชายคนโตไหม หรือพี่คนโตหรือน้องคนเล็กหรือลูกสาวหรือลูกชายเป็นคำถามที่ไม่มันมั น, ม, นมันชวนให้เราคิดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดถามมาถ้าอยากได้คำตอบการดูแลพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับการละหมาดยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายเหมือนการละหมาด พี่ละหมาดน้องไม่ต้องละหมาดไหมไม่ใช่ใครละหมาดคนนั้นได้กันดูแลพ่อแม่คืออย่างนั้นพี่น้องมันคือสิ่งที่ลูกทุกคนต้องแย่งกันดูแลเพราะนั่นคือสวรรค์นะสวรรค์อยู่ตรงนั้นนะแต่มันกลายเป็นว่าเราไม่อยากได้สวรรค์เราอยากได้นรกมากกว่าที่พ่อแม่อยู่กับคนอื่นนะโอกาสทองนะพี่น้องท่านบิอุสซาซาเหมือนท่านจิบลีนะช่วยกันดูอาว่าไงอภัะยศทษที่สุดแล้วใครที่มีโอกาส พ่อแม่แกชะลาอยู่ด้วยเนี่ยแล้วเขาดันไม่ได้เข้าสวรรค์อันนี้คือแบบว่าพวกที่แบบว่าเลวร้ายที่สุดนิงเงียวที่สุดคือชั่วร้ายที่สุดแ่ะพี่น้องระดับท่านนาบีไม่พูดคำหยาบแน่นอนไม่ด่าว่าร้ายใครแน่นอนแต่ท่านนาบีใช้คำว่าประยุทธ์ที่สุดแล้วท่านนาบีก็อามีนตอนที่ท่านจุบดินบอก มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเกี่ยมกันพี่น้องคิดง่ายๆคิดง่ายๆถ้าเร า, um. าเรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องเลี้ยงดูลูกเราแค่ไหนก็ตามขอให้รู้ว่าเราจำเป็นต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เรายิ่งกว่าที่เราจำเป็นต้องเลี้ยงดูลูก <ụ> คือถ้าจะทิงง้งเนี่ยต้องทิ้งลูกก่อนทิงพ่อแม่นี่คือความจริงถ้าพี่น้องบอกอาจารย์ทาได้ยังไงเี่ยผมพูดถึงความจริงว่าทั้งคู่เนี่ยเราทิ้งไม่ได้พ่อแม่ก็ทิ้งไม่ได้ลูกก็ทิ้งไม่ได้ แต่คนที่สําคัญที่สุดในพ่อแม่กับลูกคือพ่อแม่ไม่ใช่ลูกแต่คนปัจจุบันเลือกลูกมากกว่าพ่อแม่จริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงนี่คือมุสลิมที่บอกว่าอยากได้สวรรค์ของอัลละฮ์อย่างนั้นเหลือถึงเวลามาเกี่ยงถึงเวลามาอะไรอึ๊บมันเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยทาไมเรารักพ่อแม่เราได้มากเหลือเกิน ธรรมชาติมนุษย์เราจะรักใครก็ตามที่ให้สิ่งดีๆกับเราทําอะไรให้กับเราเยอะเเเๆเราจะรักเพราะนั้นเขาจะแย่งกันตอนเด็กๆเราก็จะถามพ่อจะ้ะแม่จะ้ะพอลักใครมากที่สุดแม่รักใครมากที่สุดเราก็อยากเจ้พ่อตอบว่าเป็นเราแม่ก็อยากตอบ <Eso S 1> เราก็อยากให้แม่ตอบว่าเป็นเราถูกไหมครับแต่พอถึงเวลาที่แม่ไม่อยากเปิดกับเราพ่อไม่อยางเปิดกับเราแต่เราต้องให้มนุษย์เวลาต้องให้จะเกลียดคนที่เราต้องให้เขาเราไม่อยากให้เขาไง คือถ้าใครให้เราเรารักเขาถ้าใครจะเอาจากเราเราเกลียดเขาเพราะนั้นพ่อแม่จากตอนแรกที่ให้เราก็เลยรักพอถึงเวลาพ่อแม่เริ่มแก่ชราเราต้องดูแลท่านเกิดอะไรขึ้นครับเราต้องดูแลเราต้องเสียสละอ่าแล้วทาไมลูกคนนั้นไม่ทาทาไมคนนี้ไม่ทำอะไร ค, ค, คนนั้นแหละคนนี้แหละคนนี้หละทำไมถึงบม้ยครับเพราะไม่อยากทำไม่อยากสูญเสีย แล้วผลสุดท้ายใครก็ตามที่ทําแบบนี้ถ้าเขาแก่ตัวมาจะโดนลูกเขาทําแบบนี้มั้งเพราะลูกเขาเห็นแบบอย่างมาแล้วอ๋อแต่ต้องทํากับพ่อแม่เราแบบนี้ตั้งแต่ชราตอนหมดประโยชน์ผลสุดท้ายก็แบบท่นบีมัสโลนสลามบอกนะครับว่าเบีรูอาบาคุ้มแต่เบียรุคุมอับนาคุ้มจนทําดีกับพ่อแม่ของพวกคุณแล้วถึงเวลาเนี่ยลูกหลูกของคุณก็จะมาทําดีกับคุณแบบที่อาจารย์หลายท่านบอกก็ว่าถึงเวลาเดี๋ยวหลานจะมาแก้แค้นแทนปู่ญ่าของเขาแทนอย่าให้เกิดอย่างนั้นเลยพี่น้องอย่าให้เกิดอย่างนั้น ถ้าเราดูแลลูกได้แปลว่าเราต้องยิ่งดูแลพ่อแม่ได้ย้ำสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมันดาบางคนบอกฮัิลไซอาจารย์ความหมายไม่ดาวอีฟครับความหมายชัดเจนถูกต้องเลยแต่ไม่มีฮะลิลแม้แต่ดาอีฟที่บอกว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าลูกูแช่งน้าหนักให้ดีช่งน้าหนักให้ดีครับพี่น้องคิดให้ดีว่าตกลงเรา เลือกอะไรเราดองไรอะไรเราอยากได้อะไรเรายึดติดกับดุนยาใช่ไหมแล้วเราอ้างว่าอยากได้อาคาร์ลอใช่ไหมหรือว่าเราอยากได้อาคาร์ลจริงๆแต่เราไม่อุปสรรคขอให้พระลอสซึปาราตระนําทางเราขอให้พระลอสนั้นให้เราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นผิดแล้วก็ให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่ผิดขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ขอให้เรานั้นได้สามารถทําตามสิ่งที่ถูกขอให้เรานั้นเลือกอาคเร์ลมากกว่าที่เลือกสวรรค์ขอให้เรานั้นต่ออยากได้ดุนยาแค่ไหนอยาให้การเเเลือออกดุยาาาาาขงรรทํ้ะ ของเราครับผมครับพี่น้องที่ทักมาครับคุณรัศมีบกำใจมาทำดีดจัจจะคุมลอหุคอยรนครับผมพี่วนีสลมาครับเช่นีกับพนคุณสัสระนะครับกำใจมาขอบคุณมากครับผมคุณสันนิโตเอ็มสลมาจัจจกเมื่อกัอีกครั้งนะครับะุณสรมต้อแกทุกคุณชยบบอกกระบี่พี่ายเชเกมขอบคุณครับผมคุณฟฮัดครับสลามาไวุณสระมตุลอวรกาตนะครับคุณสันนิตเอ็มครับสักโลนะสักโลละครับผม คุณสวัยสลามาก็วันจันทร์สลาโมาตัวละครทุกครับคุณเก่งเก่จะจับนัการมาก็หม อ, อ ى, พวดน็อตตอบแทนคุณได้ด้วยความยินเช่นเดียวกันครับเบื่อยาคุณครับผมก็วันนี้ครับเราได้ทําความเข้าใจกับดุนยามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจกับหัวใจของเราที่มันชอบดุนยาเหลือเกินหัวใจของเราที่มันชอบสิ่งที่อยู่ใกล้หัวใจของเราที่มันชอบสิ่งที่ต่ํำต้ยชอบสิ่งที่สกรปรกหนะ้าที่ของเรารู้ทําให้ได้ ขอความเมตตาจากพระอ์ต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องมีความอดทนครับผมอกููกาีฮาาบสกบุลลอฮะลิะมุลมุสลิมีนมินกีดกวอินัวกัฟูริมสุบรกัลลอฮมฮัดิาชดไลลยันตสกวัวาตูบไลอัสัยุุลลอฮบรกตุ